เรื่องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแสดงที่วัดป่าพุทธยานโดยหลวงพ่อเทียนกติตตสุโคปันทึกลงสืดีเมื่อวันที่20มกราคม2542ที่วัดป่าพุทธยานันทาราม เกิดจิตสติใจของพวกเขาขื้นให้หวา น, นีกับพ อ, อที่จะจํอไปได้บางคนบางคนก็จำไม่ได้แสดงการพูดการเว้าพูดกับเว้าอันเดียวกันเทศกับสแสดงอันเดียวกันแต่ถ้ากัะถาหรืออธิบายคาเดียวกันเพื่อจให้เข้าใจ บางคนคันเทศต้องจับหนังสือมาอ่านก่อนอันนั้นโ่เม็นเทศมันอ่านหนังสืออ น, น, นึกจําคนอื่นไปเว่าหนังกระบนในของว่าของเขาเป็นคุดเป็นเรคุณเดี๋ยวโบให้จําคนผู้อื่นมาว่าพระพุทธจะาคุสอนว่าให้เข า, าปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอย่างที่ว่าให้ฟังมือเป้าหวานนะี่การเคลื่อนมาเป็นคนเนี่ ยากนักหนักหนาพอที่เห็นได้บางคนพ่อแม่แม่ตั้งทองมาได้สองเดือนสามเดือนแท้งตายไปเลยบุตรได้เกิดเป็คนคนคนนี้บางคนเกิดมาเป็นคนได้สองมือสามมือตายไปคนนี้บางคนได้สองเดือนสามเดือนตายไปคนนี้บางคนแล้วก็ปีตีตายตคนนี้บางคนได้อายุถึงเกศกิจแพทย์กิจตายไป บ่เคยเห็นชีวิตตัวเองบ่เคยเห็นจิตใจตัวเองเป็นว่าชีวิตอันนั้นเก็ดหม่เป็นว่าบคนลพวกเสื่อมขึ้นมาเมื่อเดียววันเดียวกว็าตามทางรู้จกักชีวิตจิตใจตัวเองตัวดีตมีประโยชน์ตัวบุคคลที่มีอนอ น, น, นี้เป็นยูกยปีเป็น่าแบบนี้การวัเป็นทุกข์สุณก็คือกัน บวชมาตั้งแต่ในใน้อยอายุคันร้อยฐานสาวบุหินชีวิตจิตใจตัวเองบุเคยเห็นตัวเองบุเคยรู้อาการเคลดดับของตัวเองการบวชของคุณนั่งเป็นมันบัด น, นี้บุคคลผู้บวชมาเมื่อเดียวไปตั้งฟังถ้าเห็นชีวิตจิตใจตัวเองดีกลัวมีประโยชน์กลัวบุคคลผู้ที่บวชมาร้อยปี แต่นั้นการที่เขามาปฏิบัติธรรมะมีชื่งจำเป็นตรองบัให้มันเข้าใจจริงจริงเมื่อเขามารู้ชีวิตของเขาจิตใจของเขาแล้วมันมีประโยชน์การเลือกก็มีประโยชน์นกการเกิดมานางก็มีประโยชน์ถ้าเขารู้จริงๆอันนี้เขามาบวชนี่เรียนเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติบนนม่สี่เรียนแล้วเอาไปอวดเขา ไปว่าเขาอย่างตอนที่อันนั้นมันเขา้าใจอย่างนึงมันจะดีเขาบเอิญมอดมอดหาจีให ม, ม่มอดหาอัดปลานแล้วผลประโยชน์บุเบิกขึ้นในส่วนไหนดั ง, งนั้นที่เขาเห็นในตำหนักตำลานั้นว่าการปฏิบัติธรรมะต้องเป็นขั้นตอนไปถึงแล้วต า, ามตำหนักตำนาทั้งยพอแลกผลยอดจิตปฐมชา ผุ้ศึกษาสตร์ศกษาศาสตร์ัพทาสตร์วิทยาาสร์มาทางาทานปว่ารู้ไปว่าเห็นไปว่าเข้าใจไปว่าเข้าไปสัมผัสกับสิ่งนั่นๆ่อยู่เสมอเป็นอินทและแบบนี้ต่อมาผู้แปลหนังสือบรุษเพื่อเขียนหนังสือรือเพื่อครูเพือาจารย์ขสั่งซ้างเป็นับทาตรกทารไปว่าเข้าเข้าไปแล้วก็ข่อได้ ไม่ไปเท่งแล้วก็ห่อได้กรดำดินบินบนเนี่ยเข้าใจเองอันนั้นคือว่าเข้าใจกับสำนักคำลาบมเมนเนี่ยพอเข้าไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขารู้จริงจีิการแต่ว่าเขาไปรู้เขาไปอยู่กับซึ้งนั้นๆให้ซื่อๆด้วยนะเขาไปเท่งไปคุกขี่อยู่คล้ายๆคือเขาจับอัะไรนึงมันคุกขี่อยู่กับมือเขาเนี่ยรู้จักมันคิดมาเขาก็รู้จักรมด นี่จิตวการเราเข้าไปโดนมันที่เอาหัวมุดเข้าไปดังนั้นคือวิการเห็นควคิดถึงชีวิตของเฮามันจึงมีประโยชน์มากที่สุดอันความคิดนีมันคิดยี่ตลอดเวลามือหนึ่งมันคิดจะต้องลอยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องเสิรนเรื่องคำบอกเคเห็นมันยากเลยเขาหูความคิดเขาไดเห็นความคิดทำเราเข้าใจความคิด อันนั้นเป็นเร่อยปรุงแตงเร้นสังขารทันเราขับสำหรับตำราตัวสังขารเนี่ยทานเป็นการปรุงแต่งทันมันเราโกกโกนจนว่าอวิชาเป็นกจายให้เกิดสังขารอวิชาแต่ว่าผมรู้จักอันคุบุู้จักคุณไม่รู้จักอันอันหาเงินหาทองกินเข้ากินน้าโบแมนอันโบแมนอวิาน่นอวิชานั่นกับคนเข้าใจจุดเราที อาวุาค right? so, so, ือบวชหชีวิตบ้ชหุ่นจิตเห็นใจเฮานี้ได้พระกุฎเจ้าคุณน้อยเลยและบัดนี้เราก็เลยว่าอาวุาแต่ว่าควไม่รู้ว่าคบุลูอันใดควบุลูสำหรับตำราควมบุลูการธรรมาหาหินควรบุลูตัวเองโอ้เหม่งนกวางแต่แต่ยังไงนสดงการแป่หนังสือนั้นดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาชีวิตสุกสําพันธ์มันก็ได้ งนการปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เข้าถึงสุดสาคัญของมันจริงวิชาเปรว่าคนไม่รู้วิชาเปรว่ารู้รู้อะไรตั้งรู้รู้ใจรู้ชีวิตของเขาด้เพราะว่าเขาเห็นใจในในิดเห็นใจเห็นีิตจิตใจของเขาอยู่เนี่ยในส่นสอดส่องสีสับสเจ้าจึงว่าวิชาเปว่ารู้หรือว่าฌานฌานโดยเข้าไปรู้เข้าไปคุกคือยกับจริงอ น, นั้นเป็นว่าจาตกันดังนั้น เนี่ยพ่อเคยว่ากับมูเขาว่าปฐมนาชานะเรื่องรู้ลูกน้ำอันนันมาซื้อคนที่มีปัญญาว้ายฝั่งนะั้นเขาคิดตีแกออกมาเรื่องลูกนามบุญเงินเป็นลู ก, ลกห่หางว่าพ่อเมื่องลู่ลูกน้ำแล้วยมันดีใจดิมันกูไม่ใส่ใจดีดิอันนี้มันดีใจซื้อมาลู่ตัวปรมาเทศมันยจัดเป็นปฐมนาจิตใจเขาเตี้ยนครั้งทีนึงนี้บุญเงเตี้ยนหนก ok. คร้ายๆคือว่าเห็นแจ้งนี่แหละทานเขาได้ครั้งที่แรกนี่แหละมันเห็นแจ้งมันรู้จริงมันเข้าใจจริงมันสััดจริงนะต้องทํำลายข่มโคตรข่มโลภข่มหลงอย่างน้อยที่สุดผู้ที่เห็นจริงเห็นปรมาจิตจริงนะขบวนไอ้จำของผมพูดมาเว่าเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยทําลายได้แค่ข่มโคตรข่มโลภข่มหลงอย่างน้อยที่สุดต้อง สามสิบเปอร์อย่างน้อยที่สุดละอันนี้คันสามสิบเปอร์เ็ก็ยังเหลืออยู่เจ็ดสิบเปอร์ันนี้ยังบแ ม, มนมันจีนมันเรื่องอันนี้เด้วยบันนี้จิตใจหามาเปลี่ยนแปลงจิตครั้งที่สองนี้ก็ต้องทำลายผวมยึดมั่นถือมั่นเส้นอุปทานที่เลสกันหาเ่านี้อย่างน้อยก็ทำลายไปเหมือนกันอันนี้ก็นดะมันเป็นทักเป็นสอน อันน so ี it is, it so is stored, is ้ย่งบุญธเนตสิกอย่างบุญธรรกับตำลักตำลาเจตตำลักตำลาเขาบอกว่าสิ้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดละอันนี้อย่างบุเธรอันนี้มันเป็นหน้าปากคอกคือนี่อยงบุญธรเป็นปกติจิตใจเมื่อจิตใจว่าเป็นปกติกับสุวาอย่างบุญธรมีสิทสมบูรณ์เนี่ย อันสิ้นห้าินแปสินสิบสินสองรอยี่สิบเจ็ดนี้มันเป็นเรื่องสมมุติมันยังไม่มีเรื่องปลมาเรื่องปรมาสิทธิมันต้องมีสิ่งปรากฏเกิดขึ้นมาในตัวของมันจริงๆมันจชื่กำจัดกิเลสได้จริงจริงกิเลสย่างง่ายเขาที่ว่าอันไหนบางคนก็ว่าผมโคตผมลบผมุลแม่ดูบางคนก็ว่าเป็นนา มีเข้าของเงินทองมีกิเลสเนี่ยกมเนอยู่เพรคนมันคิดเอาคิดซื้อบางคนก็มีให้มีนามีหัวมีส่วนมีเสื้อมีผ้าเนี่ยเอาเป็นกิเลสแห่งกัมเนอยู่เพราะคนเห็นของคนมันคิดกันกันบางคนว่าคันทําการทํางานมากๆกับเป็นกิเลสอะไรกัมเรียนเพราะควไมเห็นเนี่ยควมนึกคิดเอาเลยมันไม่ได้ยาดสัญญา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 แต่ว่าทำที่เว้าเนี่ยมันเป็นทำอุตลิของบุคคลไม่มีใช่ไหมทำอุตลิพูดอุตลิมนุษย์ษาธรรมพูดอวดเด็อันพูดอวดอุตลิมนุษย์ษาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเป็นอาบัติพลาสติกมาบัด น, นี้มกากรับกันไหมอีกขิ้นผมหนึ่งพูดอุตลิมนุษย์ษาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มีในตน บันนี้ที่มีในสดเป็นวัดซ่องอมบัดกิตสีอันพูดแล้วมันบูมจักมากเพื่นว่าเป็นอะไรความเป็นพิสูจนเพ่นว่ากันค่าข้าจะคนาเป็นพิสูจน์นี่คลายคลายขนของอยู่ในกรงหรืออยู่ในมุงเหมืนเขาบูเห็นมุงแล้วเขาอยู่ในมุ้งมันเห็ดอยู่ในมุงฮะเนี่เขาเข้าไปในมุ้งแล้วเขาไปซ่องมืในมุงซ่องมือซ่องนั้นซ่องนี้มันเห็นอยู่แต่ในมุงบัน่ได้เห็นแปมงบม่ได้เห็นหลักมง แล้วกเรามอเห็นไปนอกมุมพอมันอยู่ในมือหันมุอบางๆใช่ไหมอาจจะมองเห็นทางอื่นกระจายถ้าหากในยืดใท่ำบันเนียหรือพระองค์สกันเขาไปยืดในท่ำเขาจะเห็นท่ำบ่โดยเห็นท่ำพราะเขาได้ใส่ยืดในท่ำมันเลยยืดในท่ำมันเขาพวกเห็นท่ำท่ำแป้ว่ามันมืดเนยมุงนี่กับคายๆกับเหมนมืดอยู่ในห้องมืดแทบจะเลยะนั้เขาจึงว่าที่เนี่ยพอโบเนียพอไว้ส ถอนตัวออกจากมุงถอนตัวออกจากถ้ำอยู่นอกมุงอยู่นอกถ้ำเขาอยู่นอกมุงกับเบิ้ลมุงก็เห็นมุงอันนั้นหูมันอันนั้นหลังมันอันนช่วงมันเป็นอะัรตีกันอย่างไรบัดนี้เขาออกจากถ้ำมันเขาก็มองมองเห็นถ้ำมันอันนั้นเป็นหิ่นเป็นโนนเป็นเขาเป็นพูจากถ้ำเขาก็เห็นอยู่ให้มันมืดเขาจากกันถ้ำเป็นแบมืด บัด น, นี้ก็หัวไอจวหรือภาะกรรมฐานก็ไปหาอยู่ในถ้ำอ น, นั้นกับเมนดูนั่นเป็นไงเนี้ยพ่อเข้าใจไหมฉะนั้นเมื่อเน่ยพ่อทําลายมาจิตใจเตี้ยนหน้ามือเป็นหลังมือหรือหนักเป็นเบาโง่เป็นสลับจิตใจจะเปนเป็นอย่างนั้นหนักเป็นเบาท่านเสกขนมันหนักจิตใจมันหนักพอได้เห็นมันเบาขึ้นมาหนึง แต่ค้อนจิตใจมันมืดมันบู้จักมันมืดแต่นบูเห็นเดี๋ยวนี้มันสว่างมันเห็นมันนี่นี่มันเข้าใจอย่างเตื่อนหน้ามือเป็นหลังมือแบบดําเป็นขาวเ้ามา อ, อีก็เตือนอีกเตือนเตือนนี่แหละตอนตอนนี้เตือนมื่อแรตอนเท้ามันยังพอไปเดินจมประพบานนี่แหละสื่อในลาวสี่สี่กัวสี่ห้า 4, 4, 5, 5, เน e ี่ยพ่อไเดินจระยะเดยนจนกลมเอฟซีปรากฏขึ้นมาหนุกส <the> ิส <th> ิงแปลปกติจริงจริงสินเขาก็เลยไปแปลตามนังสือว่าสินแปลว่ากัรมจักอย่างเนี่ยหรือสินแปลว่าขัดเก่าสินแปลว่าหุกวัตถุขจาวซาวกากัป็นเหลักเลยคือเหล็กสบายคือยิมกัดไม้กัดเหล็กนี่แหละขจาวมันเป็นเครื่อง ขัดเก่ามีดพามอบเขาเอาไปรับในหีดหีดมันจึงขัดคมมีดคมพา ม, ามจึงคมขึ้นมาลุลึกสบายไปขัดไหมหรือผัดเหล็กเลื่อยนะกะมันจึงผมขึ้นมาแมนนไปแหนะมันสมมุติมันเสียดเสียบให้ฟังของว่าไปเช็ดกางสันกระแมนไปแหนะแล้วก็ะเบื้องผิดเลยแต่มันเราซื้ อ, อ, อบางทีอาจจีบูหัวจับต่ำถามแล้วจับต้นคนส่ายโบได้สหเมืองส่งนนข้าเจ้า สิ่งที่อย่าพอเวลานี้อย่าพอพูดแต่ว่าสิ่งสิ่งขันขันแปลว่ารองรับขันแปลว่าที่เนี่ยสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าที่ขันแปลว่ารองรับขันคือขันห้าเนี่ยแปลว่ารองรับรับได้สมมุติที่ซื้อบริษัทสิ่งอันนี้มันรองรับสมมุติว่าน้ำมันน้ำมันเป็นสิ่งที่น้ำมันขาดกัน แล้วบรรเทนให้ไปเอาเอาขัดดินเอาดินให้ขัดเอาดินมาให้ขัดนะดินหม้อเามหม้อนี่หม้อแกงเอามาตีหม้ออุ่หม้อยิี่มเลยเอาน้ำมันกาดํามัดินซีไปออก์ควาทันมันสิเก็บได้บ่เก็บโบได้น้ามันกาดนมาดินมันแหลมันซึมเป็นแค่น้ำท่าเนี่ยเก็บได้แค่อันนั้นมันเก็บโบได้เอาไว้ย่างหึ่งกบบวกเกินทอนสักสองสชั่วโมง น้ำมันแก๊สน้ำมันน้ำมันแกะน้ำมันกานเพราะว่ามันบนได้สิ้นอันนั้นสิ้นขั้นไปว่าที่นี่รองรับไดรองเน้นเอากระป๋องเฮวยังที่เป็นพลาสติกหรือพลาสติกเหมือนกัดซ้ำนมันกานึป็นฟองน้ำฟองน้นครับวันนี้เอาทองหรือเอาเหล็กหรือเอาสังกะสีอย่างที่กาจะให้ไปทอกได้น้ำมันมับกนี่มันเป็นรองรับมันละเอียด หลันละเอียดตัวละเอียดมันต้องลองรับกันได้ดีเอ่ังนั้นคือว่าอันนี้แหละมันลองรับมันฟ้องตามได้มันเก็บไปได้ดีมันจึงเห็นอยู่ทุกขณะเว ล, ลาทุกลมหายใจต้องปฏิบัติเพื่อคมเข้าใจอย่างตี่คืออันนี้กํากจัดกิเลสย่ายากได้จริงจริงย่งยากคือยังคนมันติดดีคนติดดีนี่กินกิเลสย่างยากว่าเมื่อสีดํามันเห็นง่าย มืดสีขาวนี่มองไม่เห็นพามืดสีดำยกกับเงาย่างไปกันเห็นมันมืดมืดขึ้นๆนี่เหาระว like, ังรู própria, ้ไหมขันหงาย่างไปบ้นมันแจ้งแจ้งเห็นน้ำบ้านเนี้ยขาวเข่าจะว่ามันดินแห้งมาเลยไปเยียบตู้มเอารถเปียกลงอันนี้ว่ามืดสีขาวมองบไปเห็นง่ายมืดสีดำนี่เห็นง่ายคนเหาบ้านี้ยขันโกู้เข้ามาลื่นซุ้มไปแต่มันเห็นเรื่องการแสดงความซัวเนี่ย บาตนี้คนติดผีแสดงความดีละมุนละไมประจบประแจงอันนั้นเขามือสีขายคนอยากได้ดีเพราะว่าคนอยากได้แต่ดีเมื่อจิตดีนะคุณจังหวัดเอาไปเจ้าพิงสอนว่าอยากไปปิดมันดีกระบบเอาตัวกระโบเอาจังว่าอุตลาธรรมะอักุตลาธรรมะนี่ว่าอักขัญญากรตาธรรมะวางกาเนี่ยเขาต้องเข้าใจอย่างนี้อยากไปปิดผีอยาไปติดตัว เนี่ยพรู้จักสื้อว่ากำจัดกิเลสอย่างงยาบันนี้จาพวกมีเงินหลายลทาบุญหลายลแต่แล้วจะได้เป็นกึ่บินเหว่าสิดติดเทวดาเทวดาเขาไม่รู้จักความคู่จังไรู้จักว่าเนี่ยเขาติเทวดาบ้างเหว่ากิเลสอย่างหยามมีสิทธิ์ลงรู้จักตัวสิทธิ์สมาธิกาจัดกิเลสอย่างกลางจำพวกติดความสงบหาว่าความสงบอนั้นถูกต้อง เขาได้ยินบ่แต่พระเบเช้าเป็นเรียนไปศึกษาดูกับตัวอาลาดาบุตรพุทธาดาบุตรได้สมาบัติิสมาบัติใจนี่มูนั่นเนี่ยนี่พอมูห์ข้าจักกิเลสยางการนั่นเนี่ยกิเลสยังการไปว่าทำกลมสงบเนี่ยพอสอนได้ได้นี่ยพอก้ายืนกันรับรองสอนได้ถ่าองการมักกลมสงบตัวแข็งเนี่ยพอสอนได้เพราะอย่างพ่อเจริงๆรินี นี่ยพ่อมีจริงแล้วจะว่าพูดอุตริมนุษษาทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีอะไรเราเราสามารถมาแพร่มาว่าให้มู่ฝังได้ยังตันอันนั้นมันบุกทุจะมันทุกยุคทุกแยกนั้นมันไม่เป็นทางดับทุกอันนี่ยพอสิทกาา้าวยืนสอนใดเนียพ่อมเข้าใจเลยผมไม่ที่ว่าไปจำปคนู้นั้นคนนี้มาว่านี่ยพอเนี่ย พ, พรู้จักริแต่ห้อยย่านั้นมันที่เป็นอย่าัน วิธีที่จะทําให้ตัวแข็งจับลมหายใจเมื่อลมหายใจละเอียดเข้าไปก็มันหลงนมันหลงต้นหลงปลายลมหายใจเราเก็นตัวแข็งครับอยู่ตรงนี้ก็ ม, มีเรื่องนี้อย่าแล้วบ่ได้หาว่าเข้าศาสตร์นะว่ามันจีเนสศาสตร์จนได้มันหลงเนี่ยมันเป็นอันเนี้ยสมาธิจัดกรรารได้ตอนนี้ปัญญากาจัดจิตได้ยังเลวอียดเถอะท่านผู้จักผู้จักจําพวกปลา กามาสาวะภวาสาวะอวิชชาสาวะก็เหตุมุนบรนลุคนปิดกินในกาลกามเนี่ยคือหมายถึงอกซาลกามาสาวะจิตหล้นแล้วเนื่องด้วยกามกามเนี่มันหลายด้วยคำว่ากามเกี่ยนภวาสาวะจิตหลุดพ้นแล้วเนื่องด้วยอกอวิชชาสาวะจิตหลุดพ้นแล้วเนื่องด้วยจากอวิชชามันต้องเข้าใจอย่างสิ่ อันนี้คือว่าอธิศิทธิกจิตขาอธิจิตดาจิตขาอธิปัญญาสิตขาซึ่งอันนี้คำจัดอันนี้มันจึงจะแม่นอันนั้นอันนี้เป็นอันดับที่สาอันดับที่สี่ปรเดี๋ยวจิตใจปติปัญญาหงลูอัะไรมันจะมารวมรวมเข้าี้มันทิ่พิกใส่เตีงใส่ทุกสิ่งทุกอย่างมันที่ปรากฏตัวอยู่เสมอเดี๋ยวสั่น เห็นดวงกันเขาเ้าใจดวงกันสัมผัสดวงกันอันนี้เป็นวัฒน์เด็กเขาการจะว่าเห็นการจะว่ารูาา้จะย่างไปใส่มาเส่็จนะเขาจะคุยกับสิ่งอันนั้นเนี่ยมันจะนว่ามันต้นแรกหรือมันแข็งเข้าไปมันเจาะเขา้าไปมันจะอยู่กับมันนั้นแต่ว่าวาให้ฟังเหมือนแมวกับหนูพอดีหนูกระโจนมาแมวมันจับตับหลดุดหนูจะต้องตาย แมวก็ต้องคาบไปถึงม้าคาไปไว้บนเหมนงูกวัวตากระตั้งม้ า, า, าไปวางขั้นลูกก็ดิกตัวขึ้นมาแมวมันกระโดดไปไหลจากอสุจอันนี้แหละคี่ว่าสิ่งแท่อันนี้สิ่งผันนี่นะว่าสิ่งสิกขาสิ่งแปลว่าทะลุงมาทันเจ้าคณะจังหวัดเลยเป็นลาสิ่งแปลว่าทลุงมาทันทลุงเหมือนแร่ก็ง่ายเนี่ย แล้วแร่มันก็ต้องเป็นหีมแบบนี้เอาไปเข้าโรงงานโรงงานมันบุกเอามันกระจายออกไปมันเลือกได้อันนี้คันว่าคนแบเนี้คนนี่ก็คือกันมันมาผู้จักจริงๆริงนะคนไปว่าหลายซิ่งหลายย่างมันมารวมกันอยู่นี้บัณฑิตยานี่มันจะเข้าไปเลือกคัดจัดหาได้ออกก็เลยมาว่าในหนังสือวิสุทธิจิตวัฒนธรรมวิจัยะรวมสอนสองธรรม ธรรมะวิจัยยะข่มสอบสองธรรมคือมันวิจัยตัวสติปัญญามันจิตวิจัยเอาอันเขาไปว่าธรรมะวิจัยยะข่มสอบสองธรรมอันเว้าซื่อได้สำลักเขาบอกเลยแต่จิตใจเขาเจ้าก็ต้องจริงแล้วบ่เขาไปวิจัยจริงแล้วบ่มันบุได้เข้าไปสอนสอนมันบุรุษเข้าไปวิจัยมันได้ว่าโอซื่ออันนี้เขาว่ายืมจ้าขับพูดของผู้อื่นแล้วไปจําคําพูดมาจากผู้อื่น บนันทึกไม่ว่าจางสี่แล้วเขามาเว่าเรื่องอาบั ต, ต, ติต่างๆเขามาเว่าเรื่องอาบั ต, ต, ต, ติต่างๆยกตัวอย่างเส้นอาบัติกราฟิกเอาไว้เศรถุนหนึ่งทิศตุเศรษฐะหนึ่งต้องอาบัติกราฟิกทิศตุลักของเขาบันี้กราคาห้ามาตกต้องอาบัติกราฟิกทิศตุค่าสัต มนุษย์นอกคันในขันจงจบต้องอาบัตประเิฐพิจัดนี้คิสตัหรือสมณีประจามพูดอวดอุตริมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนขาดจั บ, บ, มม บ, บนนกบเป็นิดตัวาดจับกบเป็นสมณีอันว่านี้เศรษฐแม่ทุนหนึ่งข้าเจ้าลบหมายถึงเพศตัวกันข้ามอย่างเพศผู้หญิงหรือเพศตัตาาาาาศตกตัวเมี่ยเขาจะว่างในตำราเศรษฐแมทุนเนี่ย หมายถึงมีความคิดงโง่ๆความคิดอาวิชาเทศเป็ว่ายู่น้ำยู่น้ำความคิดอันงโ ง, ง, ง, ง่ๆความคิดของอวิชานั่นแหะเป็นเอ เ, เศตเมทุนเทศเมทุนดันั้นจึงว่าอย่าไปอยู่กับความคิดอันงโ ง, ง, ง, ง, ง่จังซันเป็นตอนจังซันเป็นเจ้าเทศเนทุนลักของเขาแบเ น, นี้อย่าไปจําเอาขับคู่ของผู้อื่นมาเว่าวให้เราต้องปฏิบัติจยงซันเป็น อันนี้ลักของเขาต้องเป็นเงินเป็นทองการว่าเทพในสุ่มก็ต้องหมายถึงเทพสุ่มกันข้ามต้องเทเทนี่ถึงจะวาวกันฆ้าสัตว์เนี่หมายถึงฆ่ามนุษย์นอกพันนีะครับมาถึงฆ่าตายถึงแค่ในขจะวาด้วยกันตำลาขจะวาดกันฆ่าสัดว์นี่หมายถึงความคิดประเทศนั้นนะยานประเทศนั้นนะสามารถที่ทําำนั้นได้ทุกคนแต่เมันไม่ทำมันไม่ทําซึ่งกั็เลยมัน เรือว่าชีวิตเป็นไหม่เป็นวัฏจักมันพูดอุตลิมนุษยาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์อันผู้สู้คนธรรมดาเนี่ยมันบ่สามารถที่แพนที่เจาะเข้ามาสันได้เรืองว่าผู้สู้คนธรรมดาคันเมื่อผู้ความจริงให้ฟังแล้วบ่พอใจเคียดโกรธขนาดเป็นยไงเรื่อว่าคนมันเป็นยังไงเรื่องว่าคนคนที่ว่ามันมีหลายอย่างอยู่ในเนี่ยเขาต้องขัด หาเลือกหาจังทันอย่างไรตอนนี้ต้องจิตใจเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปยุสภาพหนึ่งครั้งที่สามอันนี้จะรู้จังที่ใดเมื่อจิตใจบเปลี่ยนไปจังที่ใดปัจจุบันเขาต้องทําไปบุญมันมารวมกันจากส่ทัศน์จากสูุเป็ว่ามารวมกันงานทุกประเทศมารวมกัน คัจวากันอย่งางภาษาที่เขาเรียกกันว่าหมายถึงธาต ด, ดินธาตนา้ำธาตุไฟธาตุลมเลิกกันไว้ชิตแล้วอยาทงา น, นชิดได้คือยงเขามีซี่คนเนี่งเวลาเราเลิกพักหยุดงานบวชทำงานหน้าที่บว ท, ทํางานเนี่ยถองเวลาเลิกแล้วันบ่ชทางานได้น่ะมันตายไปมันบวเมนจ๊ะจพวกนี้เราบวหยุดงานแล้ ว, า ว, านน ง, ว, ลวงา น, งา น, งานอ น, น, นานบวชเป็นหน้าที่ที่ ท, ทำไปตนแล้วอาจารยินธ าาเนี่ยจัตุรัสอาศัยรวมกันสั่งเลิกคือเขาสร้างกัน เ, เนี่เลิกนะทำวัดแล้วเลิอกอ่ะก็เลิกพร้อมกันอันนั่นก็คือการยุดงานบทเคยวขาเรียกว่ า, าจัตุรัสตั้งใจมาถ่ายแปลว่าบดีทุก พ, อพก่ อ, พ, อ พ, พวกมันยึบงานแล้วพวกนี้ก็บบดีทุกพวกนั้นทางานมาพวกนี้กับมีทุกเพราะนั้นอภิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปจัจัยเกิดจริงงาน ดิญญานเป็ตัวเกิดนามลูกไปตามเรื่องไปเลยนี่เป็นโสกับริเทวทุกโหมนักสัอุปายาตไปเรื่องเรื่องลุดเป็นเรื่องปฏิจจัตมุปบัตอันนั้นไปตำลาได้นั่นมั น, น, นออเพราะเจ้าหนของจริงคือยั่งเนี่ยพราว่าคุณผมว่าเดี๋นี้นี่แหละผมกล้ายืนกันรับรองเลยทุกคนปฏิวัติลุดท่นานผิดอย่างนี้ไปเข้าตำลาแล้ว จอ้จำตนามาว่ามาเปนังเนี่ยเนี่มก็เป็นมอดกินหนังสือมอดกัดไม้แล้วมันก็บรไดาเข้าใจแลวแต่ว่าตานานีอยู่ด้วยทรงจำกับตานาอิึมแล้วมาปฏิบัติอิทึมเข้ากันได้ทันทีจำเอาตำนานจซื้หรือ่าปฏิบัติจะซือบอกนี่นี่พอดีกูนั่งหยุบงานปั๊บเนี่ยพอเคยเฮ็ดเเบิ์เอามือมากดเต็ <GRANT LOT> แต่ที้มันแดงมือกดที่ปามันขอวชัลกันนนั่นเป็นไงแต่ว่าจิตใจมัต้องไปสําำลักมันข่มสะอาดผมสว่างผมสงบมันจะอยู่แล้วจิตใจขอตัวชีวิตที่แล้ที่คมันข่สะอาดที่มันข่สว่างที่มันข่มสงบั้น่องชีวิตจิตใจของเขาหลงไปขั้วเอาท่านมาซื้อนี่นะเล้วอเน่าพอเคยจให้เบิรนเอาเสื้อในร้อนมัดใส่ตัวอนี่าเป็นมัดคู่ใส่ ต้นหนึ่งไปพกเสานั้นคนนึงพุกเสานี้แล้วเอามีดไปตักตรงกลาตัดหรือเอาไฟไปจุดเมื่อตัดตรงกลางแล้วดึงจากมโนถึงทานเนี้ยเห้งมันหมดมันหมดการมโนสุนทานเคียรต้นนั้นมาต่อทงที่มโนสต้นนั้นอิจิมเด็เคียรต้นนี้ไปต่อทงบูถึงบถึงแต่นี้อคันเอาไปมาทพุมันบูถึงตรงกลางเนี้ยมันหยุดกนลมันมันเป็นชีวิตที่หยุดกันมันบอกเจ้าว่าตาเห็นรูป อย่าไปคิดว่าด uh ีว่าตัวอ <Yeah. S 1> ันนั้นก <Yeah. S 1> ็แม่นอยู่หูฟังเสียงอย่าไปคิดว่าเสียงดีเสียงสวยอันนั้นก็แม่นอยู่อันนั้นน่ะเป็นคำลาอันนั้นนะคําว่าหยุดที่มันหยุดมันเป็นธรรมชาติของมันอันนี้สุขาธรรมเข้าไปหามันโดยเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎตายตัวอย่างนั้นดะงนั้นการปฏิบัติธรรมะที่ว่ารู้จริงๆเข้าใจจริงขึ้นเมื่อเราโมลู่จีิงไปสอนผู้อื่นมันผิด เมันผิดแล้วมันทูกข่วมันกรบบทูกแล้วที่ว่าจะไหมันที่ทกไหนขมันคิดเด็กามันโุกแล้วมันจะผิดรึวะโยบังก็โบผิดแล้วขมันทูกแล้วดิที่อย่างพอเียบให้ศักคือเาที่สแต่ตุ้ยเทสได้วนี้ที่ไปหาพระเจ้าเพดพระสังฆาฏินี่ีไปหาสเด็พระสังฆราชพรงฆรไแล้วเขาโบเคยเห็นพระเจ้าเพดินเขาโบเคยรู้จักพระเจ้าเพดิน เขาบูรู้จักประถานบ้านเฮือนของเพื่อยูตํำนี้รูปพรรนสันธานเขาบูรู้จักรูปเกียเขาที่ไปหาสมเด็พระสลราศึกษาก็เขาบูรู้จักว่าเพื่อยูผุดใดรูปร่างสันธานเพื่อนทั้งใดเขาบูรู้จักตำนี้รูปพรรณเขาบูรู้จักบัานนี้เขาจีตาเอื่นใส่ด้วยกันขันในหลวงเขาเพื่อนแป้งตัวอยู่กับจีเขจักในหลวงเพราะว่ามันมีเครื่องแบบผิมือขันเธอเป็นคนธรรมดาเขา เป็น s าวนา s าว n a ส่วนหน่อวยรับรองว่าลอยถึงร้อยเต็มเตีย้ยบูคู้จักเถะเพราะคนคือกันเน้ะไม่ที่เขาไปอยูังไงวันนี้เขาที่ไปทุกยังไงเขาที่ไปฟังกลุ่มผู้ที่บูคู้จักพาเข้าไปเขาต้องไปก่อนที่ไปสอนคนอื่นต้องไปก่อนไปเห็นรูปร่างหลักพณะสันธานรูปจากบ้านเฮือนตั้งอยู่ฮัอยู่นี่เลยแล้วก็ไปเห็นส่วนเดชสังหารคือกันรูปร่างสันธานหน้าตา เพื่นเป็นอย่างท่านนั่งซีดขอกไปเหตุโยนถนนคนทางประจําได้อย่างพระเจ้าเตินนั้นที่รถมาประเหต์ประจําได้เลื่ยอนยางออกมาตาถนนคนทางประจําไดอา้อันนี้คือกับการที่จะสอนธรรมะนี่มันเป็นความลึกขึ้นที่สุดคําสอนของพระเจ้านั้นเป็นจิ่งที่ละเอียดที่สุดเหมือนกับน้ามันที่ละเอียดที่สุด ขันกองเอาปเต็มเตเนื้อล้อนน้อมในเทดันั้นเขามาศึกษานี่มันเอาทางเปื้อกทางแกนทางมอกทางกะพริ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างน่ะประสมประสานกันดังนั้นเรื่องการเจริญวิปัสสนามีสิ่งสิ้นเรื่องที่สำคัญควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อศึกษาบูรู้บูเข้าใจแล้วมันที่ไปจิตนั่นเองดันั้นเรื่องคำว่าจัดตัวทัศน์ แต่ลวกลวกปัญจมาสสานแปลว่ามันสูนว่าเป็นสูนว่มีเด๊มันมีอยู่คาว่าสูนนี่แปลว่ามันมีเลยนะมันดับมันดับเสื่อโลกดับดมนข้าวสูนที่บนเี่มันมีอยู่มันมีอยู่มันที่เป็นเองถึงจุดวันมันเป็นเก่งความเป็นเองนี่แหละคนว่าเป็นกฎของธรรมศาสตร์สักนิดหนึ่งมันเก่งเองความเป็นสะนิดีมีอยู่ในคนทุกคนไม่เงย จะเป็นคนชาตใดก็ตามถือศาสนาใดก็ตามมึง่งฆ่าสี่อะไรก็ตามมีได้ทุกคนคาสอนของพระุทธเจ้าจีวะสนคนจึงว่าตัวคนจี่ะเป็นตัวศาสนาตัวคนตัวสติปัญญาจีวะเป็นตัวพุทธศาสนาตัวคนมีวะได้เป็นตัวศาสนาดังนันจีวะวัดวาอารามณ์นี้กรแมงยูอันนี้เป็นศาสนาสมมติคนสอนจังหวัพุทธเจ้าสอน ดังนั้นมันจึงมีเปื้อนมีกระถิมีแก้นมีแกนที่กำพี้มันไปให้แกนกับโได้หรกอจะเอาตัมอกมันไปให้แกงใจกลางมันกับโบไดมันโบไดเลยฉะนั้นจึงว่าเขาอยากเข้าไปอยู่ในมึงคันเขาเข้าไปอยู่ในมึงแล้วมันจะบ่เห็นมึงคันเขาเข้าไปอยู่ในทั้มแล้วมันจะบ่เห็นทั้ม เขาต้องออกจากนอกมุงออกจากหนอกคํำมาอยู่ข้างนอกเขว่าออกจากหนอกมุมนอกถ้ำนี่หมายถึงออกจากผมคิดคันมันคิดแล้วอยากไปรู้กับมันให้ตัดผมคิดนั้ น, ออ น, น, น, น, นทิ้งพอมาคอยเรื่องผมคิดนี้มันคิดมาว้งหนึ่งหัเห็นเัารู้เัาเข้าใจมันจะเป็นวิธีบวกกับลบมือหนึ่งหัวคิดลอยเรื่องหะไรก็ได้ เขาลูเรื่องมันก็บปถึงรอยแล้วมันก็ได้เก้าสิบเก้าขนาดวันนี้มันคิดมา่องเรื่องเขาลูมันก็ลดลงมาลดลงมาทางที่ก็ไหลขึ้นไหลขึ้นทางเรถก็ออกไปทางบวกก็ได้ขึ้นมาเห็นไหครับดันั้นโต้มาเรื่องนี้นะคิดจะขึกหัดกันให้หัดเรง่องผคิดหัดเรง่องคิดพ อ, อดีมันคิดปุก ท, ทันุกบทันประมาณเท่าใดแล้วที่ผู้ที่ที่เป็นอาจารย์สอนขจ้าต้องถามนะปฏิบัติเรื่องรูปนามรู้จักแล้วสอนให้บุ้ของคิดเนต้องสอนให้รู้จกักว่าเจ้าคิดผมได้แล้วอย่างน้อยต้องเจ็ดิบเปอร์เซนหรือแปดสิบเอร์เซนหรือเก้าสิบห้าเปอร์ซทันเข้ามาถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซนนะต้องอาจารย์ก็ต้องระมัดระวังเตรียมตัวเขาเป็นอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวเด้อ เตรียตัวจังไงเลยให้คนนั้นเขาอยู่ในห้องอบรมคอยอยากเปมีอารมจะไปพูดไปพูดกับคนอื่นให้คนนั้นนะ่คอยต้องปฏิบัติจริงๆนะครับคอยไปซีไปซีเนี่ยคนคันบูซีเนี่ยมันบูมจักเนี่ยขวางบอลบูสเนนพระพุดเิ้เขาเขาเป็นผูุ้สรินนี้คอยฟังสนใีลมาจเาีเห็นการณนให้เาบาดจเป็นนะครับพอดีมาทีเป็นเอง นี่เมื่อเป็นเอนแล้วแต่วหน้ามือเป็นหลังมือดำเป็นขาวหนักเป็นเบาเง่เป็นสลับหน้ามือเป็นหลังมือแตสิกี้มันเอาหลังมือมาเปลี่นหน้ามือมันนี่เปลียดหน้าอะไรบางเนี้ความืง่มันมียุทธ์ตะอนหรือความโง่มาที่หายไปมีควมสลับขึ้นมาคนดำมันมียุทธ์ตะกอนดำมาที่หายไปความขาวมันขึ้นมาเทความเป็นภูทุนแบบนี้มาที่หายไป ความเป็นอาเรียบบุคคลมั น, ข, นขึ้นมาแทนเนื่องจากที่แทกันไปตามลําดับลําดับลำดับขึ้นไปจนถึงที่สุดมันต้องเป็นทางั้่จริงๆพระพุทธเจ้าสอนแนวบุคิดคําสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นข่มโกคข่มโลภข่มหลงเนี่ยมันบบได้หนีที่เขาขงงเขาหลงชีวิตเขาเขาบบเคยเห็นชีวิตจิตใจของเขาเมื่อผู้ใดพูดเรื่องมาว่าให้เขา ของนไปจับเอาไว้ด้มือจับเด็กเอาไว้มือจับตัวอวิชาน่ะไปจับออกมาถ้าจับออกมาแล้วมันฟุ้งมันฟุ้งแล้วเป็นสังขารสางขางก็แลฟุ้งแจ้งกันหนักแล้วแบหนักใจหนักใจแล้วเราก็โอ้ขึ้นมาแล้วนี้เอาระบุหัวจับุกได้หมดมันหนักอย่างน้อยต้องร้อยเปอร์นก็เป็นได้นะอันนั้นคือรอยฝนตกนรกทางเขนถ้าหากนรก ก็เมื่อตายมีแท้กจะเอาตายถึงจะไปจกนรกแเ่ืดองหน้าคุณกัดหน้าแค่เขาบเหิเณรนรกมืดออื่นกัดหน้าเขาบเหินณรเขาเห็นเป็นว่าเป็ปัจจุบันตอนนี้เมื่อเขาบ่มีทุกข์ในปัจจุบันนี้แล้วได้บันี้เขาบุมีข่มโกดข่มโรคข่มหนกไอ้ที่ว่าตอนไหนเขาอยู่ด้วยสติปัญญาเห็นชีวิจิตใจเขาอยู่ตรงนี้เขาบุมีทุกข์แมนบอดไหมหรือหนีนไหมึแมนบอด คันีทกละหนักใจเลยบ่คนหนักก็คืมอมาขี้หีดเน่ยบ่เอาี่หีดออห ไ, ไปอยู่ลงน้ำมาที่ฟูหรือมาที่จมวันนี้คันเอาไม้เทียไม้แห้งแห้งไปอยู่ลงน้ำมาที่จมบ่เนี่อันนี้คือคันฉะนั้นจิใจดักหนักเนี่ยตายไปแล้วคัน น, นั้นลดีจริงๆก็คือขี้หีนั่นแหละประจมติงลงไปจน้าลบคุณโลดตวันนี้คันจิตใจมันเบาแล้ววันเนี่ยคัน น, น, น, น, นักสบายมีพานมีกิ้งว่าฉนั้นตายไปแล้วก็มัน เบาวบบกระโปงฉ่อมฉะนั้นชื่อว่าสวรรค์นิทานเขาโบได้เห็นด้วยตาเขาคนโง่มันจะเห็นยังไงมันต้องเป็นคนสละมันต้องเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ใดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงวะคนว่าได้กระแสริฐนิทานได้ดวงตาเห็นทำคนว่าจิตใจมันบนหนักหนึ่งตันเมื่อหากสวรรค์นิทานมีสิงตายแล้วก็ต้องได้ใส่สิ่งโบต้องพัฒนาเนาะ อันนั้นโลกก็คือการมดล์ต้นได้พัฒนามันดอกคนไปลักเก็ดลักไกล้ลักหวยลักควยผิดกฎหมายนีเนี่เขาคิดเชื่อไปเห็นยุทธ์ตรงนี้นี่ เ, เห็นตำรวจมาตกใจรถหน้าเสียหรอกเขาจับไปจะไปสอบสวนมันเนี่ยจับสอบสวนเราต้นส่วนปลายโบทูปมันนี้ยเขาจับไปเข้าห้องขงังไปเข้าตรางซ้ะนี่วันนี้เขาบ่าได้ไปลักเก็ดลักไกล้บนเนี่บ่ได้เหิ้งยังบ่ผิดกฎหมายบ้านเนี่ยมีงหางไปเห็นตำรวจ เพระก็สบายใจอยู่บ้างอาจะก็โดนจับเข้าไอันนี้ก็สุดกันแต่ถงเรื่องสมมุติเลยอันที่ว่าอยนี้ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมจึงต้องปฏิบัติจริงๆริให้เข้าใจจริงๆให้เห็นแจ้งรู้จริงจริงจจึงนําไปสอนคนอื่นรับรองได้จริงจริงอถ้าหากรับรองคําพูดตัวเองบอดายเรื่องผิดคน เพราะว่าเราจะนึ่งไปปฏิบัติจังนึ่งมันจิตใจไรบ่เฮาต้องพยายามปฏิบัติตรงกับคำพูดของเฮาคำพูดของเฮาว่าเปยังซี้มันต้อ ง, องตรงไปหัดสัเรื่องธรรมะ ม, มันต้องตรงในแครู้ผิดบุได้ผิดเคลื่อนเป็นนิดเดียวกับพลาดไปรูดฉะนั้นจีว่ามีวิปัสนูมีวิปลาธมีกิจยามตรงกันข้ามเพื่อทําลายนิพพสนา ตัวปัญญาของวิปัสนาจักเกิดขึ้นได้ยากเพราะวิปัสนูเพราะวิปลาดเพราะจิตญาณถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่นํามาสอนนั้นรู้จักวิปัสนูดีรู้จักวิปลาดดีรู้จักจิตญาณดีผู้ที่เดินตามมันก็บ่ขัดคองเพราะว่าคู้นั้นรู้จักนี่เอาแล้วผู้นี้เป็นวิปัสนูแล้วล่อยแก่ขลิปวิปัสณ์ออกไปเอาแล้วผู้นี้เป็วิปลาดแล้วป่อยแก่ขลิวิปลาดออกไปเลยเอาแล้วคู้นี้เป็จิตญาณแล้ว คอยแก้ไขกิจการมาเป็นมันก็มุ่งเสี่ยงเรื่อง น, นะผู้เดินทางไปวันนี้คนที่ผู้บุรู้จักไปก่อนเขาคือวานเมื่อกี้ทิ่ไปหานายหลวงนายหลวงไปคุณเมื่อกี้นี่ส่วนทางกันเนี่คล้ายๆกือเขาออกจากวัดที่ไปนายหลวงเข้ามาในวัดแถวนี้เขาบุรู้จักนายหลวงเนี่ยเขาทีไปหานายหลวงมันที่ตามท่านพ่บอกท่านเข้ามาในวัดที่เขาไปคุณขึ้นรถไปแรีวเขาเพื่อกลับมาหาเขาบุญเห็นว่ากับขี้รถกัญญิรถ หรือสมมติว่าตุนเดชังฆราชที่มาเบึ้งบัดนเขาหนี่คือกันเขาออกไปที่ไปหาไปมีมนพระตนเดชสังฆราชมาเบืงบ้งว้านเาขาเขาออกไปแล้วพคนขี้รถเข้ามาสอนกันเขาบูฮู้จักคนเขาก็ไปตามหาเพื่อนบันเพื่นมาหาเขาไปเวรขี้รถ น, น, น, น, นี้อันเป็นดัะนั้นการพัฒนาถึงพระศีลอริยม่ไกรก็คือกันเขาบ่ฮูจจ้จักพระีอริยเม่ไกรมานชี่ฮู้จักในจังไหนที่ไปนำเพิ่อนในจังไหน เขาต้องทาตัวของเอาให้เป็นพระศรีอริไม่ไกเป็นลูกศิษย์พระพอนตอนพระศรีอริเมตไกเนี่ยเขาที่เป็นเอาพระศรีอริไม่ไกอายุแปดมื่นปีนั้นอันนั้นมันไกเอาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะที่มนมอนี่นะอาชีพเป็นพระศรีอริไม่ไกจันทกัณได้สิ ก, กันถ้าแปลประเสริฐ เ, เป็นว่ายงี่ระวังนะ้ำ โบ้เนสี่ตัวสเออนนวสือได้เป็นสี่ตัวขอสลามีตัวหลอกตามเป็น ว, ว่าสี่เดือนนะสี่ตัวนี้คนงามมียังไงเนี่คนงามก็ต้องมีสิ่งทีคนบ่้งามหน้าตาบ่งามมาที่มีสินบอกมันก็นมักโกตรมักโลบมักหลงกันวะเนี่ยสินตัวนี้พ้าสีตัวนี้ที่ว่ากําจัดกิเลสอย่างกลางใดอารีบเลยว่าค่าสึกเงี้ยเดียวคนไปเนี่ยถ้าสีอารีไม่ใส่ มันยุ่งไก่ขันเบาอ่ะอันคนที่บอเข้าใจแท้ๆมันก็ต้องอยู่งไก่ดฉะนั้นการฟอกหาสวัสดีฐานโทดีต้องไปฟอเอานอกตัวของหอแล้วญาตที่จะเห็นได้ญาติที่จะรูได้บางทีตายเต่าแล้วโบลูแล้วเขาจะฟอเอานอกตัวคุณสอนให้เขาหาเอาที่ตัวของเขานี้มันมีอยู่นี้ตะวันมันก็มีอยู่นี้ น tuo, u, ิพานมามยูนีนันโกมนก็มยูนิเอมมนก็มยูนิสถเวลสันมามุมยูนิอสุลกายม็มีมยูนิคำว่าอสุลกายมีได้อย่างเพิ่งละอสุลกายแปคอ่อนแอเพิ่งละเขินเมาสันติเพิ่งละอสุลกายว่าคอ่อนแอทำการทำงานโบกเข้มแข้งเพงลแล้วคนอ่อนแอมีทำการทำงานโบกเข้มแข้งม้ยครี่ใสใดบวกกบบได้ละอันนั้นมันตำราเพินงล เนี่ยพ่อว่านีนเนี่ยพ่อปฏิบัตริรู้จักว่อ่ะจุลขลายเป็นอะจุลกายเนเะปี ย, นะ ย, ยพกไก่น่ายายยะไกรนักไกจักควจริงไก่จักปัจจารธรรมเนี่ยพอเข้าใจจริงอ่ะจุลกลายเป็นศาสตร์โดยราเนอะศาสตน์โดยรักษาเนี่ยคือเป็นรูน้ดจักอ้ายเนี่ยพ่อเปี้ยเอาคือโตหมาหรือโตสุนัขเองมันจยากขี้กันหรือี้ มัยากเติงกันต네่กันเสิงม่อยากนอนสนกันนอนเนี่ยอสุรกายเสว์คือคนก็มีคนละอายนี่เนี่ยบละอายเจ้าคำพูดตัวเองบละอายเจ้าที่ทำผิดตัวเองบละอายเจ้าพูตเอ้เพื่อนเหาเอิญอสุรกายเออลายสัตว์เป็นลายสัตว์ลายสัตว์แปลว่าคนไม่รู้จะอายเขาว่าอย่างนั้นเต้หมายถึงกิ้นบกขอจินจิตจิ้นเก่จินอันนั้นอันนี้หิวอยู่บ่ซอยจะเื่อนเต ปากมันเล็กน้อยห้องเหมือนใงี่มีนิทานเรื่องคุบาร้อยสมีเต้จำนวนหนึ่งนอนห้องอยากดิ่นน้ำอยากดื่นน้ำอยากดิ่นน้ำมาแต่นอนอยู่ตามดิ่นน้ำนอนดิบสั่งน้ำบ้านนี้มีพระพุทธเจ้าเนี่ไปดิบบาพระที่ติดตามพระพุทธเจ้าไปดิบสบาตั้งห้าร้อยคนเลคนละแต่ถามห้องไม่ยังว่าแต่ถามเต้ อยากกินน้ํยายังยมุกกินน้าน้ำไหลทา่าท่าเยอะนะแลงแต่คนโบเห็นน้ำโลมตูมตายเลพระพุทธเจ้าไปถามเนี่ยมันยังมุกกินน้าเนี่ยโบเห็นน้าเนี่ยแล้วมันมนอนวันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเอาปิดสูกจํานวนนั้นเนี่ยเอ <c oughs> จํานวนที่ไปกับพระพุทธเจ้าหนึ่ง เ, เอาบาตปาเอาเต็มทุกคนทุกคนมาครับอาปากก็เนี่ยอาปากมั น, นแต่ถอดใส่ปากตั้งห้าลอยลูกเลยนะ บา้าเนีากตน้มาทุกคนทอกใต่ากันมึดตั้งห้าร้อยบาทน่นทำอิบอมบ้าทันบางทีอิมยังพอจะทากกอหน้อยเดียวพอจะซุมนี่ว่าจะเนี่มันฮียอยู่ขนาดนั้ น, นยทีเดียพ่วงไม่ฮีเด็คุณวันรีบเป็นี่อันนี้แนี่ยพอเข้าใจว่าเป็ดหิวอยู่กินบ่าเศราจากเกือเพื่อังว่ารู้จักให้รู้จักคันอนนักทำกันก็ให้รู้จักอยากไปรู้จักต่กสู่หนังสือ ต้องมารู้จักตัวเฮาอีกขึ้นเพื่อนึงนี่ยเป็นหลักเตสซาเตลซารมาชมุจักขายอสุรกายนั่นหมายถึงว่ายูกไกลจากทก่อนของพวกเจ้าให้เฮารู้จัก จ, กจงังสังอันนี้คนที่รู้จักตัวนี้นะมันต้องอย่างทั้งซี่ตัวนั้นมารวมกันสักคนที่เขาถึงสภาวะอาการเกิดดับขิ้นนั้นจึงจะหลักหกขึ้นมาได้และเนิ่เนีย่ยเพราะว่าที่แล้วรู้จักแล้วเนี่ยรู้จักโหลด เนี่ว่าว่าให้ฟังเนี่ยอันเนี้อะโบต้องปฏิบัติขั้นใดแต่ว่าจำเอาไปปฏิบัติลง น, นี่ยพอไปเจ้าเร่องว่าเล่าความจริงให้ฟังเนี่ยคุณบอกเออได้ดวงตาเห็นทรโบไม่ตาอันนี้เห็นหอกใจเห็นโบไม่ตาเนื้ออันนี้เห็นตาเนื้ อ, อ น, นี่เอ๊ยเมื่อกี้กไปมองเห็นอันใดเนาะนก็มองเห็นตั้งแต่เนงเจ้พระเจ้าลาตั้งแต่ต้นไม้มนี่ตัวหนึ่งใจมันสามารถเห็นได้เฉพาะสิ่งแต่ดวงเมื่อจเจริญปฏิปทานสี่เนี่ย ชิดมือขึ้นควบมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวากม้มเงยทิปตาอ้าปากคืนน้ําลายพลาออกไปเดินอนให้มีสติลู่เท่าลู่หันลู่กันลูกแกอันนี้เป็นวิธีเจริญสติสถานที่แือดกัดรักมันตรงกระตมนาวะตรงมุตรงกระตมสางที่มันมีอยู่ในธรรมะอยู่บนใดกันโยนเหียนเ ล, ล่นี่หลักสูตรน้ำผั่งกันสี ทำที่มีปกะณ์มากสองอย่างเนี่ยหนึ erm ่งสติคมระลึกได้เนี่ยก็ระลึกได้จะพลิกมือขึ้นก็รละลึกได้สนุนสองสัมปัญจัยควบรููตัวก็ดูตัวอยู่นี่สนุ่นแต่เหมือนบ่มีบ่มาสอนขันอันเนี้ยเคลียตาอยู่นี่ดูตัวอยู่นี้เนี่ยหายใจอยู่นี่นะดูตัวอยู่นี้อันนี้เลยเรื่องสติประฐานที่ใกล้ใกล้แค่เมันไปสอนไก่ไก่มาเลยรููจักคนที่สอนน่นนะสอนตามตำรับกำลังซื่อเนี่ย ถ้าหากไม่อย <Iya, S 1> ักพอสอนนักทำศีลเนี่ยพอรับรองว่าบวให้มันออกไปสอเต็มนะเนี่ยพอที่เอามันอยู่เสมอเนี่คุณรู้จำนวคุณอันนี้สอนกานไปตามสาหรับตนามันก็ได้โดนตาเหนจะเชื่อหรือขันสอนก็แล้วต้องแนั่งหลับตาตะกอนเนี่ยึ้นโคนโยกเนาะยกนาะไปสอนการยกคุณ่ะ สองเทือมกระดิ่งเนี่ยถามันสาหนึ่งเหม็นเห็นนักทำตีเราซมือซมือหนึ่งก็ต้องคิดมือหนึ่งให้ได้เพราะมันพอหูอยู่ได้มันก่อหูอยู่ซมือซมือเนี่ยนักทำโทอกันนักนัเบสแต่เมื่อก่หูซมือซมือมันก็ขึ้นหูเสนอเนี่ยเป็นว่าพันคนไปฟังธรรมะเจากพระพุทธเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมเดี๋ยวเพึ่งว่าตัวขวัญจิงให้ฟังขวัญจริีนก็หมดหมา เพื่อนแสดงธรรมเทือเธอละเธอละเธอนี่นะมีคนไปฟังธรรมมาจากพระพเจ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นมื่นเป็นแสนได้ดวงตาเห็นถัดเดี๋ยวนี้เหาไปฟังเทศฟังธรรมเทดบุญพระเวททุกปีแล้วก็เทดบุญบ้านทุกปีเทศกระชินทุกปีาพ่อตาตาทุกปีไปแล้วก็ไปฟังเทศเทศอยู่กันอยู่จังๆแต่มันเศร้าบ่ข่มโลกผมโลก ผ, ผ, ผ, ผ, ผมหลวงข่มหิเขาเศร้าบ่ คันหาวโบเซาขันหายังโบเซาาันักันยังเป็นเตศอยู่แล้วจีวะยังไหนฟังเทศการยกันยังหิวอยู่กับเป็นเตศอยู่บบเซาเลยบัดนี้ขันหาังเทศจำซาเนี่ยขันหายังก็มีคนไล่อยู่กับยังเป็นสัตว์ในระศานอยู่แล้วบัดนี้ขันหาญยังเซาคนโู้ที่เ่ขันยังเป็นสัตว์นากอยู่แล้วบัดนี้ขันหาญยังโบเข้าใจคำสอนนั้นกับขันยังเป็นอัจฉรายอยู่แล้วบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นไหม เนื่อว่าตั้งใจปฏิบัติเรียนหนังสือก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อเอาไปเป็นเครื่องมือเขาฝึกไปเขาไปจีให้เฮทนาสบายการซื้อการขายของเขาจีสบายเขาไปจี โ, โงโงเขาจีสลาดมีน้อยเขาใส่น้อยมีมากเขาใส่มากอันนี้หาเงินได้น้อยใส่มากไม่ไปจนก็นักคนตลอดจีเขา้าคนเนี้ยพอเบิร์นซูมือเดีย เมเข้าตกละเอียดลาบพอปานตกใกล้กินคุณชาเนงก็คือกันพ่อไม่อกก็คือกันแล้วมันซ่อนกันยังไงนะครับลองมึงดูเมืองไทยเนี่ยเม็ดข้าตกคนละเม็ดมึงรู้มาจากคนคนต้องสามสิบตี้สิบล้านมันก็สามสิบตี้สิบล้านเม็ดต่เนาะม่นได้ไปยัดสกระสอบมันก็เจนก็ชอบเติมแบบนี้นี่เจนตะกิ้มันอยู่นี่ไก่ๆดีมันบวชเจนตะกีอยู่ไกลอันนี้บอดได้มันกินเข้าจนศบตัน หวยหมดงานในของอัญญะอยู่ในเขาบางคนบางคนก็ดีขบวนนี้เซว่ารั่วหมดเลยบไม่เป็นหมดบางคนก็เป็นบางคนก็บริเตนเพื่อสอนจังสี่หลักประหยัดเพื่อสอนให้หู้ดักกินกิกินข้าวกินน้ำอันกินข้าวบ้านอยพอเอาอันว่าตามตัวหนังสือว่ากินข้าวอย่างพอหนึ่ปากภากลางโบคอยพูดกับส่วนหนังสือเพราะอย่างพอไ่ได้เรียนหนังสือเลยไม่ได้เรียนหนังสือ พอเนื่อพอสอลวงพอโบได้เห็นคือเน่พ่อเพิ่งมาเขียนือไทยเข้าใจมายุป่าพุทธยาณบ้านกำเน็ดเท็จลมมาบนวิทยายูนูเลยนี่เน่ยเนี่ยพอมาเข้าใจทำไน้อยแล้วก็เียนมาหัดเขียนมานำมู่นำเพื่อนดีเขาช่วยดีนี่แหละผูได้สอนให้เน่ยพ่อเ่าพ่กเ่าเนี่ยพอโบได้ดีูเป็นคูล้คูเป็นคูใ่หลเนี่ยพอบเคจักแล้วก็บวกเคยจิตเน่ยพอโบเคยจิต จิตสำนึกมันนี่มคจิตพอเนี่ยพ่อพูดอย่างนี้คือเนี่ยพ่อบ่เคยยึดถือครับใครที่ว่าตัวเนี่ยเสมีนอยู่เนยพอรับคพูดของมึงเนี่ยพ่อมีพวมาสอนเนี่ยพอถวบุญคุณบุญคุณมากที่สุดการที่จิตสำนองบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาที่ไปนอนเป็นหัวที่เึขนที่เป็นวะนิทานม่พ่อเขาจิตขี้หูแดไปล้มนอนนะคนขี้ใส่นะัน ผู้นึงบวชอาจรย์แล้วก็ผู้นึ่งเลี้ยงอาาคนว่ามีลูกอยู่สองสามคนแล้วผู้ใดที่ชอกบุญแทนคนของพ่อแม่มาก็ผู้บวชผู้บวชตายแต่แล้วไปเห็นใส่เสื้อนั้นลูกคนโอ้ผ้าเหลืองเหลือลูกคือแสงไฟแสงนั้นแสงไฟนั้นลูกคนนี้คือเรลืองเหลือคือผ้าจีวเจ็บที่ไปเป็นนอน ใครถ่ายที่ไทยเงียวผู้หนึ่งเลี้ยงมาจนเป็นหน่อยหน่อยคุณเริ่มหก็เลี้ยงพอเลี้ยงนี่ก็สายผู้นึงบวชดูพ่อจูแม่อันบวชจูแในเหาในบุแม่ไหนเหบวชจูไม่มาถึงให้ข้อคิดเป็นธรรมะคุณเน็กอันเห็นพระเหลืองเืองนี่ก็สัจจวาคุณมอเป็นสมมติเป็นสุนขละทิฏฐามะนั้นการที่ตอบบุญคุณของครูบาอาจารย์ในโมมีทางนี้พอเขาแ เพิ่นเปียบไปว่าเหมือนนำอ ด, นอดอกบัวที่แดงก็เด่นหนอ้อดอกบั ว, บวี่แดงมันใบที่ง่ายประเนมวมหนอ่อนันบันว่มไรมันขวมบนและขวมหน่อแล้วนกน้อยบินในท้งฟ้าฟรรรลี่เจ้ามันบินขึ้ติ บ, บงังพาทิศบนบได้ี่ไปทุกโลกกับโบได้เป็นว่าการสอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์มันยากหนักสอบบุญแทนคุญของพ่อแม่เอากันยากหนัก ที่จะตอบได้คือเขาลบตัวเองก <c oughs> ารเคาลบตัวเองเนี่นหละเป็นการตอบบุญแทนบุญของพ่อแม่การที่ให้หักเป็นทานว้าแทนพระเจ้าเนี่ยเป็นการตอบบุญแทนคุญ ข, ของพระเจ้าอันนี้ที่เนาาาี่ยพอเข้าใจโดยม่นเอาเงินเอาทองให้อันเงินอันทองอมี อ, ขขอันรุกเข้าไแล้วเขารบนับถือกูบาจังเขาลบตัวเองเนี่ยพอเข้าใจที่ว่าจะผิดถ้าทำที่ไหนเรือเห็นเพิ่กับที่เขาลบนับถือเพื่อตา ม, มธรรมดา ขึ้นมาพฤศจิการบพระปรเจ้ามาหลือครูบาอาจารย์มาเนี่ยเพาะคารบเนี่ยพอบทบทีนขนลังขัคกันเนี่เนี่ยพ่อนุจกอ้างซื่อใจเนี่ยพอเนี่ยพอที่ก้ายืนยันรับรองคําผูดขอเนี่ยพอทุกข์คถ้าพปายาปฏิบัติแบบนี้เนี่ยพอรับรองได้เอ้าสามปีอย่างนานที่สุดแต่ต้องเหตุปฏิจริงนะเลิกนานนะสามปีปฏิบัติติดต้อกันเหมือนลูกโตนี่นะ อย่างหนาสามปี่ย่างกลางให้เวลาปีนึงอย่างกลางให้เวลาปีนึงสามรอยยี่สิบห้าวันและอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเข้าสุดมือเรียกว่าสามเดือนเรื่องผมโกคผมโลขมหลงเรื่องขุนกิ๊ดมันถือมันนี่สองประเด็นนี้หายไปฉันว่ามันก็ต้องอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปละในเกณฑ์ปกติเเรื่องสินจะปกักขึ้นมานั้นเอาให้เวลาปีนึง ให้เวลากินเรื่องกินรู้จักัพวกที่กินย่า ง, งกอย่างกให้วลาสามปีแต่ว่าตอนสุดท้ายเรื่องอาการเกิกเกดดับเขาจะบกกำลังได้เรื่องนึ่พวางเรื่องจิเองว่าให้สอนกับพวกเขาใจเรื่องนนี้เยี่ยพอที่ควรมีความสามารถพยายามเจาะเข้าไปเลยให้จิตใจบรรลงไปัะเป็นอาาเี่ยพอคิดเอนี่พอกาได้ครับผู้คนเนี่ยพอรับรองเลรอยทำผู้คนน และเป็นว e ิธีวิปัสนุวิปัสสาจิรย์เนี่พอวนเขีอผู้จักมาพสมคเพราะปฏิบัติจริงจเนี่ยำไปจเอาคพของคนนั้นคนนี้เนี่ยพอจักพอวันเนี่ยพอวันตำรวจจริงทัศนะจิใจจริงจริงโบมีนคือว่าไปจาคำว่าของู้นั้นจาคาว่าของู้นี้โบนเนี่ยพอจักเนี่ยพอเอาคนามเห็นเนี่ยพอจริจริงมาเรา เป็นการทอดมาจากดวงจิตจิงใจแล้วไปสอนผู้อื่นเนี่ยพราะเขสอนด้วยคนจริงใจเนี่ยพอโบสอนหวังคาจ้างหลังวันก็หวังว่าจะให้ผู้หั้นมายกมายอนะขอบอกสอนเพื่อให้อาจาร้นทุกซื่อนี่นะถ้าพระเจ้าคนมาจังไรตอนคนได้เป็นพระลัหันมาเนี่ยเรียนแล้วพุทธประวัติจ้ะเนี่ยเรียนแล้วเมื่อไปพบเอากับ ผูการที่ว่าคนหนึ่งเอาควมจริงให้ฟังโป๊ปไปเลยอีสานากับแลกนิเนี่ยเนี่ยโ อ, โอ้ว่าเาคมจริงให้ฟังมันเป็นอังีเน่คนต้องการคนจริงเอาควจริงให้บอกนี่ย ห, หมมันเป็นพันนั้นหละมิวว่าทรมาให้ฟังบา น, นี้ไปพอจิตาพุทธาพนิกาพกคธาเทียนกันมาต้องอมครอบอมคไว้ฟังเข้าใจแล้วบนนี้ไปทบออกกไเจอาิดเล เนแล้วก็บรรญายว่ายอมฟังอิสึิมฟังก้อนฟังค้อนบอกให้ฟังหลยเพื่อนไปนึกอดกดั้งใจฟังให้ว่าจะใชเมื่อฟังแล้วโอ้คาคานี้บุคเคยได้ยินจากเธอไปพิดกันมาอัญญปูนอัญะก็เลยรู้ว่าจะแน่เมื่ออัญญปูนอัญญะแล้วรู้แล้วขมวดแล้คอยรู้ตเมื่อคอยรู้ตานแล้วคนสอนจะไหนบ้างเนี่ยคนสอนอ่ะรู้เจ้าสน่ะนีเรียนแล้วประวัดไดะ คนสอนโให้ไปเรียนนักทำตีนักทำโชนักทำเอกเรียนมามมาหากันเนื้อคนบุเรศสอดจังสรรค์คนสอนจะเธอรู้แล้วต้องไปทําหน้าทีไปประกาศไปสอนขะเจ้าขะเจ้าทุกแท็กขะเจ้าบุตรทุกเนี่ยคนมาเธอไปทางพุ้นเพร่ะนั้นไปทางพุนจะไปนาคันสองคนสามคนนะไปบ น, นเราคนเราทีไปทําทีผู้ดเดียวเคสนสอดอันนี้เขาบวชให้จังสัร น, นิดหนี่งถ้าน้องเขาหูแล้วต้องจำไปเอาไปเอาเงิน เนี่ยเอาเงินเดือนเนี่ยแบบนี้นี่มันตรงกันข้ามเนี่ยเขาสอนแล้วก็อยากครูใหญ่เนะ่ยเป็นครูเนียเนี่ยเขาเลิกครูเนี่ยมันตรงกันข้ามทั้งหมดดังนั้นจิวการสอการเรียนมันจึงว่ามันไก่จากคนจริงมันก็เลยไม่ได้คนจริงจ้าเถื่อเมื่อสอนเอาจากคนจริงมาจะได้คนจริงหรือคนนะเมื่อสอนเขาไปหาคนจริงมันก็ได้คนจริงสินะแจะไปเข้าใจว่าพระบุตรเจ้าพริริญีผานไปแล้ว บมม่มีมรดคนนิพพานบ่มีในโลกโอ้อันนั้นเข้าใจผิดมากที่สุดพวกนี้แหละทําลายคําสอนของพระเจ้าโดยไม่รูส้สตัวเมื่อพระเจ้าจะปฏิทินเนี่ยถ้าอานน์ถามนะไว้นะพระองค์นิพพานไปแล้วผู้ใดที่เป็นครูเป็นอาจารย์เนาะกันผู้ใดที่แนะนําตั้งสอนมาทันจีนยกให้ผู้ใดว่าทันเป็นหัวหน้าไปผู้สอนเนี่ยพระเจ้าบุได้บอกว่าให้องค์นั้นเป็นแก่เนาะองค์นี้เป็นแก่เนาะ ท่านไ่ได้บอกอย่างไรขันยกให้ทุกคนเป็นแก่เป็นเงาแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์จริงๆนะขันยกให้แล้วพระธรรมวินัยเราฟ้าไว้ดีแล้วสินะขันธ์ก้าวไว้ดีแล้วเขาต้องเคารพพระธรรมวินัยกาเรียนนันนั้นที่เรียนธรมปฏิบัติที่พระธรรมวินัยนั่นแหละที่เป็นศัสนาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแทนเราสินเดี๋ยวนี้เราบบได้เอายังไงเรียนมาแล้วครูได้นักคําตี ปูได้นักคาโชว์ปูดได้นักคำเอกปูดได้มาหาปรเลียนอย่างนั้นอย่างนี้เรารู่เนีเอาอันลู่อันนั้นเหมือนบทสรุปของเขาอ่ะไปเรียนเอาของคนอื่นมาเวาอวมันเข้าหลักเลยหลักของเขาหนึ่งเนี่ยมันเข้าหลักเลยพูดพูด อ, อุตรีมนุษยธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนเนี่ยเข้าหลักไปครับที่เรื่องที่เหมือนกันนะท่านนี้าลรามันบม่ได้จบหมาที่นีย แล้วพอมาฟังลูกอเสบรนนาจัพารานังเนี่ยเราจะไม่เต็คนทานอ่คนทานเราเห็นว่าเขากินเหล้านี่ดิ้อเรื่องการพนันเที่ยวกลางคืนผิดอะไรอันนั้นเป็คนฐานอูจะในยาดที่สุดแล้วนั่นนะคนทานภาษาคนเพ่นวายกันอเซบรนนาจัพารานังหมายถึงซิบุยุดาผิดใจเรื่องโงเนี่ยจิตใจมันคิด บุญแต่งไปทางที่ผิดเนี่ยคนมาอย่างซีนะพูเจ้าเพิเงจบมาที่อีกพุทหนึ่งนะบันบิตานันจาวันบัณฑิตพระนักฟ้าเห็นชีวิตจิตใจของเฮาที่ควรยู่เนี่ยเศรษนาหรืออาเศษนาจารพารนะืายอาเศษนาจารพารณอนะบัณฑิดตานันจาวันเศรษ้นาเนี่ะควรปูซาจิ่งี่ควรปูซ า, <c oughs> าปูชาเทวดาปูซาพระพุกควรปูษา ปูซาควรที่บปูซาสัศปัญญาเฮานี่เขาลบตัวเฮานี่เพึ่นสอนมาเนี่ยเอตมังคัลมุตตมังวันโย่ันไดทั้งสามอย่างนี้ก็เป็นสิี่มงคลแก้เฮาพีเด้คน่าเป็นสร่มงคลแก้เฮาพีเด้บนได้เป็นสี่มงคลแก่ผู้อื่นไหมบนได้ใส่สินบุญฤืธิ์พะไปสวดนั่นเป็นสี่มงคลอนันต์ก็เรียนรู้มันไม่ภาษาสมมุติมันเป็นภาษาของคนธรรมดาไม่ไช่ภาษานักป่า ภาษาหนักป้ า, า equality, มันต้องบูชาตัวเราเขาลบตัวเราการบูชาตัวเราการเขาลบตัวเราเป็นเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามันเป็นการเขารบพระพุทธเจ้ามันเป็นการบูชาคนอื่นมันเป็นการเขาลบคนอื่นไปทั้งหมดเพราะเขาว่าทำผิดบุกผู้ผิดบุกผิดผิดแล้วเขาเขาลบคําพูดของเขาอยู่เขานะเคยได้ยินว่าถ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เขาลบพระธรรมเขาลบพระธรรมอยู่ใสเงนทุกคน อยูเนี่ยถ้าตุ้งลูกอยู่เนี่ยมีผัสะมั้เรื่องขลัวเนพ่อไปเลียกเป็นการขาลโมูเนมั้เราไม่กิดไปค้ปนราพในนงังจีไปค้นภาพ อ, อนันต์ อ, อนันนัออนต์กัมเรียนอยู่น อ, อ น, น, ออ น, น, ออนันเป็นเรื่องสมมติให้เขาเห็นทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคนมันเห็นตันกายทำเนี่ยต้นใจนั้นคนุวุฒสามารถที่มองทะลุเข้าไปได้เป็นอย่านั้นฉีหลพอได้ให้ข้อคิด เป็นเครื่องเสื่อนคิดสะจิตใจมื่นนี่กะเน้นคือกันท่าคือกั น, น, กนจำไว้เอาไปปฏิบัติให้เป็นคู่ชีวิตจิตใจของเราญาติไปคิดทางที่ผิดไปคิดทางที่ผิดแล้วมันเสี่ยปฏิบัติโบฟูปฏิบัตโบิบตโบได้ผล ถ, ถ้าปฏิบัติยังอยาบพอวานี่อยาบพอหลับหลง ในตำราเขาบอกว่าการเจริญเศรษฐานสือให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเกียปีจากการเกิดเปลี่นอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบห้าวันมีอ น, นิสงสารประการหนึ่งเป็นพระลหันถ้าหาบุาเป็นพระลหันในทรัพย์นี้ต้องเป็นพระนาคามีสองพระนาคามีปฏิบัตินรั้ถ้าะนาคามีนี่หมายถึงว่าอยู่ผู้เดียวถ้า อ, อยู่ผู้เดียวน่นาจะจก็หมายถึงว่ามีภูมิมีเนียจานก น, น, าานั้นก็จะพาสาวชนเข้าใจอย่างทัน คำว่าอยู่ผู้เดียนโบได้โบได้มีความเกิดมยกคุามหลวงเนี่ยพังเขาจังจอยู่ด้วยสติปัญญาจริงจริงเนี่ยฟัเขาจังนะอันนั้นกับแมนอยู่ผู้เดียวโดดเดียวโบมีครบบุกิดควนะสามแมนใหเขาจัจเหตุวาทุกควเนี่ยมันมันเวลาพวกเขาจะไปออกไปทางานตามหน้าท like to ี่ไปรัฐบาทนะครับอ เกียรติสิทธิ์ปิจสุโภวบรมที่บ้านบุห่มเป็นชุดที่สองขัญญาตินั้นมันสัญญาจำมาซื้ออะไรมันหลงมันลืมเป็นอันสัญญาตัวนี้เนี่ยหาว่ากันจะสัญญาสัญญาเนี่ยมันชื่อคนเดียวกันชื่อว่าสัญญาเนี่ยขันสัญญาตัวนั้นมันได้ทําหน้าที่มันแล้วมันบ็หลงมันก็ลืมญาพ่อเว่าววันยึดจัก หลายมือหลายวันหลายปีมาแล้วหลายเดือนแล้วเอาเว้าโอ้ผมเก่าในยุคสี่เนี่ยมือหุจักอันนี้เลยลนะพอกับเดินกลับไปกลับมาเต่ก้อนเนี่พ่อโบเคยหุ่จักความคิดตัวเองมาเดี๋ยวพ่อคิดว่ามีคนมาซุกข้างเนี่เรียวไปทางนั้นทางนี้บบเห็นคน ย่างกลับไปทมามันคิดขึ้นมาเจนทีโสนี่กูรู้โอ้มันคิดเด้เนี่ยนะหูจักหลดเห็นหู้เข้าใจเหมือนคนละอ่านกันคิดมาเธอาสามเนี่ยพอกระลูกค่ะวันนี้ก็สมมุติให้ฟังให้คือแมวกับหนูเนี่ยตัวแมวกับหนูเนี่มาเจอของศัตรูกันเขาก็พยายามเอาแมวมาเลี้ยงไว้บ้านเหามันมีหนูแมวมันโต้วนโต้พี มันได้กินอาหารดีๆดล้วมันก็ง่ายเลยเนยนูออกมาประจักรรถหนูมันสอดอยู่ที่มือแนวมันมือกระซังยูเซกะตามมันเห็นมดหนูออกมามันเห็นรถมืดไปเนี่ยแต่เห็นเนี่ยตาคนในสู้ตาแมวไว้ใครที่เอาทางไกลเนี่ยสู้ตาคนเอาไว้ตาคนหามองไกลๆเห็นแนวเนี่ยมืดมันก็เห็นเนี่ยให้เขาเข้าใจอย่างไรอย่างว่าอโต่หู้กับโัวบุหู้น่ยมันตรงกัน ข้ามทีいい่เนี่ยพอไว้ฟังเนี่ยตั้งใจตั้งใจให้จังหวะตั้งใจเดินชมเฮ็หหลายให้เลยผู้อื่นให้ให้เขาบูได้ผู้อื่นให้กับผู้อื่นหูเขาฮ็้ก็เขาหู้แต่หนัวพอดีหูจับผมคิดอันนี้แล้วก็เลยเห็นหูเข้าใจวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุเนี่ย ต้นไม้ผูเขา่าห้วยหนองคองบึงเสื้อผ้าเงินของนี่เป็นวัตถุทางหนังอันวัตถุอันนั้นมันเป็นภาพเนาะให้เราเห็นสกปรกเลยวัตถุเข้ามาภายในะคืเนเมื่อนหนังแข้งขาเอาเนี่ยอันนี้ก็เป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยตาจับถูกดวงวัตถุอีกส่วนนึงคือตัวใจมันนึกมั น, น, มนคิดพุ่นอ่ะมันเป็นวัตถุอวัตถุหมายถึงของที่มีอยู่ถือว่า มันมีอันใดเขาจีนเห็นจีโฮเมื่อเมือว่าอันั้นสัตวยามันจะไปรู้อย่งสั้นที่ว่ามันบุหลงบุญเลวัตถุปรมัดอะมันเข้าไปสัมผัสแนบแน่นกับอย่างสั้นมันเห็นมันหู้อยู่แต่เพ <the Abend> ื well no BLANK, <the> <the> mm ่อนปรามัดเห็นเฉพาะหน้าอย่างสั้นเขาเห็นยู่มียู่ไปยู่เพื่อนปรามัดอันนั้นมันเห็นอยู่อยางสั้นมันเป็นยู่อย่างสั้นอันนั้นมันมียู่อย่างสั้นเพื่อนปรามัด อาการใน่วหมายถึงขวมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเกิดยังดินฟ้าอากาศบนไม้ภูเขาห้วยหนออของมืองก็คือกันเสื้อผ้าเงินทองเอาใส้ก็คือกันมันเปลี่ยนแปลงได้เรียกเป็นอาการของมันเนเลื่อนหนังแข้งข่าวนี่ก็คือกันน้อยแล้วก็ง่ายขึ้นมาง่ายมาแล้วก็เท่าแก่ตายเนาเขาลงไปในส่นมันก็เปลี่ยนแปลงเื็นอาการของจิตใจนี่ก็คือกัน มันนึกมันคิดเรื่องนั้นเลยมีเข้ามามาเป็นสัตเมื่อเห็นอันนี้รู้อันนี้เข้าใจอันนี้แล้วหลวพอก็เลยเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะนี่แหละโทสะโมหะโลภะแต่ก่อนหลวงพ่อว่าเห็นหักโมเห็นหักโมลูกมาเห็นบัณฑุแล้วเหมือนโล่งบมลึงเนี่ยพอได้เห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะนี่แล้วเวทนาจะมีอยู่หักบุตร เวทนาเป็่วเสวยอารมณ์ือนัเป็ น, นว่ากันพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนสัญญากรความหมายรู้จำได้ฟังข่าวปรุงแป้งเลยิญญานเปว่ารู้เลยอาจะก้เนนั้นคันว่าตายแพรากระดวงจิตดิญญานนี้ี่ีลอยไปเหอนกขทาบุญมากๆแล้วก็ที่มีเทวดามาเทศมังงานเอาไปดวงจิตดิญญานให้เข้าใจเหน ขันไปทางดีขันไปทาง่วยก็ตายแล้วกันานโยมพิบัตเอาเสื้อลากคอไปเขาจะัอันนั้นโมเมนต่โมเมนเนียอห่วพ่อแม่สอนมาห่วงอันนั้นเน่ยข้อววิญญาณแปลวะรูนี่หลยโมเมนอย่างนี้วิญญาณแปลว่ารูนี่ตายไปแล้วบรูนี้อโอพอเีหัวจักอันนี้ล้วหูวจักโลยพอว่ครูที่เป็นพระได้เด้วยยางอยู่ผมก็าว อควรเป็นทรามันเป็นอสีเดนน้ำหนักโตหลวงพ่อเนี่ยพอไวอ้ลอยกิโลเนี่ยหลวพอเบาขึ้นรถหกสิบกิโลอย่างน้อยที่สุดแต่นพ่อนึกว่าเนี่ยพ่อเบาดได้80กสิบกิโลเฮ้มือบ้าเนี่ยวะฉันสมน้ามั่วเลมันเบาสิตเบาใจรถเหลือยุดอกจากยี่สิบกิโลฉนเดินชมกงไป ในขณะนั้นในใจหลงพ่อเกี่ยนสองครั้งปุ๊บไปที่สุดพอดีเห็นอันนี้แล้วเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นกรรมเห็นผู้เข้าใจสัมผัสแน่นแ่นเข้ามาลดหลวงพ่อก็เลยรู้จักมักรู้จักผลลดโ อ, อ้มักมันเป็นอันนี้ผลมันเป็นอันนี้มักผล อ๋อได้กระแสเท า, านี้ผานมายถึงว่าเห็นผมคิดนี้โทสะโมหะโลภะมันชืดมันจางไปแกก็นั่นขันเชียดขันโกดให้คนนั้นมันเติมที่บนรลสมให้ฟัง น, น, น้ำาาสีนั่นแดน้ำดำหันอเอาไปยอมผ้าขาวผ้ามาจิกติดเขาน้ำสีน้ำสีมาจิกติดผ้าออกมา ดมดแดมงมดพราะน้าสีมันดีนบัดนี้มาเห็นมาโฮแลวน้าสีเต็มกระปองกรทถางข้าวคุณน้ณาเมันเสื่อมให้ว่า น, นีงาเงีอยไหมอลไรแค่ เ, นเนอาไปเยีมผ้าขาวมันจะโบกติดเหนือผามันจะกระติกน้อยที่สุดเอาไปซักน้ามันจะออกโลดโอ้มันเป็นอย่างนี้ด้วหู้จักอะไรกันเนี่ยเขาหู้จักองไรกันถ้นาเถอะเนี่ยเขาจึงโบเื้อ โมเสือไทยก็เช่นอย่าพ่อพ่อแม่ที่น้องก็คงจีบหุจักแต่กนอย่าพ่อเสือฝังผมพ่อผนแม่ผม้ี่ผมน้องวานงอยางพอเสือเปัดอย่าพ่อเป็นคนหัวอ่อนเอะอไบัดนี้อย่าพอบบเสือเสือให้ง้างคนบูฮูวาอย่าพ่อหู่จักในไทด้วยบเป็นหู่จักนาคาเหียนอยผู้อื่นเยมันหู่จักมาจากปุธรรมศาสตร์ของมันในมัจามศิษย์จะมวิปัสสนาที่มีอารมณ์ คุบาอาจารย์สอนอารมณ์หกอะไรให้รู้จักอารมณ์หกขันห้าอาญาปณะสิบสองธาตุสิบแปดินสียสิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทให้เลี้ยงอะไรเลี้ยงให้ยังอั้นขันห้าก็คือรูปเขาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารบินญาณ น, น, นี่เพิ่งขันห้าเอง อายตนาศิษย์สอนแตตาหูจะโมกลี้ยนกายใจเป็นไายนัยนรูปเสียงกินลดสัมผัสธรรมารมณ์เป็นอัยตนาภายนอกเหมืนกันรวมกันเป็นเอื้อนอันยตนาศิษยสอท่าสิษย์แปดเมนกัจักขู่คือตาจักขู่ท่าคือท่าทางตาจักขู่วิญญาณท่าอนนคือวิญญาณทางตาเนี่ยสามหกกะเป็นิษแปดเฉนวะที่ไปเฮียนให้หนังสั่น เฮียนคดีบวมมนบวมดีเฮียนคดีแล้วแต่มันบวมหุจักที่บัดินผู้ใดมาว่าให้มันโก๊ดมันเกียจข้ามันผู้หั่นงามผู้นี้บวมงามมันวาไปซื้อๆนี่กันคนนอกวัดตาเห็นให้มันเห็นซื้อๆอย่าให้เป็นรูปผู้หญิงย่าให้เป็นรูปผู้ชาวอย่าให้เป็นรูปสวยรูปบวมบวงามมาเถอะว่าซื้อๆได้ถึงผมวาอันนั้นมันบวมเป็มเลยบ้นมาเฮ็ดอันนี้แล้วมันเป็นได้มันหู่จัก มันเป็นธรรมชาติของมันจริงวาสัญญาความหมายรู้จำได้ไปหมดให้มันได้ทําหน้าที่ของมันค่ะมันทําหน้าที่ของมันดีแล้วมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันในวิธยาพูดยาคุยกันมาทําให้มาเห็ุจังหวะให้มาเดินจมกลมให้มานั่งอยู่ผู้เดียวให้เสรนจเขานั่งอยู่ผู้นึงผู้เดียวเขาแล้วกับเบิ้งมูเบิ่งเพลนเห็ดเพ่นเห็ดน้อยเพ่นเห็ดหลายกูได้เห็ดหลายมันได้ หูหลายผู her ้ใดมันเห็ดน้อยเหมืนเดียวหูน้อยคือเขาเห็ดให้เห็ดนายเห็ดลายมันก็ได้หลายเสียงเขากระเดเห็ดให้ก็คือการนั้นแหะมีของก็ได้ขายหลายเป็นเห็ดไห้ันเห็ดนาก็คือการขาเห็ดน้อยมืนกันได้น้อยเสียงเห็ดให้ก็คือการเหมืมันก็ได้น้อยบนเห็ดน้อยได้น้อยแลยอยากเอาไปขายหลายมันก็ได้ขายมันก็ได้ขายน้อยเสียเขามันเห็ดน้อยก็ได้กินน้อยเสียบุคคกินซ้ําสียเวลาคน อุดเข้าในบางคนพอาะเฮ็ดนั้นเพราะเฮ็ดน้อยหามฮ็ดนเขามั่นเหมนีนมั่นก็เฮ็ดหลายจะได้หลายเส้นเกินกับฟกิ้งเส้นเลือดเกินกับหายได้คนเขาก็นได้คนเรียวมีเขามีเข้าอะไรมีทุกอย่างขนาดหูแล้วมีเข้ามีเข้าคำว่ามีเขามีเขาเนี่ยเข้ามีหลายกรมีแล้วบหมือนไปเรียกไปหามาก็มีแล้วเพื่อไปหาก็มีแล้ว